ขอความเจริญในธรรมจึงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องขันทประภะคือหมวดที่ว่าโดยขันทั้งห้าประการในขันทั้งห้าประการนั้นทรงสอนไว้สามช่วงด้วยกันคือหนึ่งให้รู้จักขันแต่ละขัน รู้จักเหตุเกิดของขันแต่ละขันแต่สามก็รู้จากความดับของขันแต่ละขันเราได้พูดเรื่องรูปเวทนาสัญญามาแล้วสังขารวันนี้ก็มาถึงเรื่องของสังขารที่จะกรอบกอบข่ายขอ ง, ของคำวมาสังขารเนี่ยมันปรากฏในที่ต่างๆเยอะมาก เพราสังขารเป็นสิ่งที่มาผาสมคือเกาะกลุ่มกันอยู่เราอาจจะพูดในแง่มุมต่างๆจนพูดถึงสังขารมีใจครองไม่มีใจครองพูดถึงสังขารของกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะมีคำอยู่เยอะแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ถื อ, ถอว่าเป็นสังขารอย่างหนึ่ง เป็สังขารที่มีใจครองหรือว่าก้อนอีกก้อนหินผูกขาโลกามันก็เป็นสังขารแต่สังขารไม่มีใจครองแต่สังขารตรงนั้นแหละเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นรูปดังนั้นกรอบของคำว่าสังขารในที่นี้พูดง่ายๆก็คือเรื่องธรรมะ เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางบ้างก็มีอยู่สามประเภทสำนวนบาลีท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิตของบุคคลแต่ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยพวกนี้มันมีธาตุคือธาตุที่แปลว่าธาตุอยู่แล้วบางทีเรียกรวมๆ ว, ว่าธรรมธาตุธรรมธาตุ บางทีก็แยกเลยเร่อกรรมธาตุพยาบาทธาตุวิงสาธาตุคือสรุปว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขามีเชื้ออยู่แล้วภายในใจมนุษย์หรือถ้าไม่เชือ้อไม่มีเชือ้อเวลากระทบอารมณ์เนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่เพราะมีเชื้ออยู่ข้างในเวลากระทบอารมณ์จากข้างนอกมันก็เกิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้า ง, เ ป, างเป็นกลางกลางบ้าง ด้า น, นการทำความเข้าใจกับสังขารเอ่อถ้าเรามองในแง่ของความจริงว่าที่เราพูดมาแล้วเนี่ยรูปเวทนาสัญญาไม่ใช่รูปเวทนาากายเวทนาจิตธรรมเราจะเห็นว่ากายมันก็คือรูปประคันเวทนากับจิตก็คือนามขัน เวทนาก็ปรากฏในที่นี้แล้วจิตก็จะไปอยู่ในพวกวิญญาณวิญญาณานัขันเรียนไปเรียนมาก็ปรากฏว่าก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดรัศสารขันเช่นสัทธาฮิริโอต ป, ปะโลพระโทสะโมหะอ ะ, อะไรต่ลาต่างๆก็เรียกสังขารสังขารฝ่ายที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ก็เรียกสัานวนอภิธรรมก็เรียกละเอียดออกไปอีกทีหนึ่งแต่สรุปว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ฝ่ายที่เป็นกลางกลางกันแล้วกันคือง่ายดีความคิดของเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่เราคิดเนี่ยมันมีสิ่งที่ปรุงจิตเราให้คิดเราก็สืบเนื่องมาจาก เวทนาสัญญาซึ่งเป็นจิตสังขารแม้แต่การทำการพูดของเราแต่ละครั้งมันก็เกิดมาจากสังขารคือต้องวิตกวิจารคือต้องเหนียวนึกตรึกนึกขึ้นมาก่อนแล้วก็พูดออกไปในขณะเดียวกันตัวร่างกายของเราก็ถูกปลนปลรื้แด้วยสังขาร คือลมหายใจเข้าออกตอนนี้ก็เรียกว่าสังขารพอลมหายใจเข้าออกที่จริงก็คือกายอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของกายก็บนเวียนกันอยู่ตรงนี้นะทีนี้ไอ้หลักของสังขารเนี่ยมันก็คือหมายความว่ามันเป็นไปตามโครงสร้างของอริีสัตคือถ้าเราเจอสังขารที่เป็นกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่ว มันก็มองในแง่มุมของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใ น, นขณะเดียวกันเนี่ยพอเจอสังขารที่เป็นอกุศลเนะช่นความโลภความริษยาความแข็งดีความเหยียดเบียดอะไรต่างๆเนี่ยชื่อก็มากมายไกลกอ ง, งนะัะแล้วก็พยายามมองเห็นโทษ แล้วก็เพียรพยายามลดละเราจะเห็นว่าโทษของสังขารเหล่านี้จริงๆมันก็เป็นรูปธรรมก็เยอะปรากฏเป็นพฤติกรรมต่างๆภายในสังคมได้ยินได้ฟังกันทุกวันประสาลึกๆ ล, ล, ล, ลงไปเนี่ยจะเจอสังขารคือฝ่ายที่เป็นอกุศลพฤติกรรมที่เป็นอาา ก, กรรมทั้งหลายคือบางทรังคาวเราฟังแล้วเราก็สลดหดหูใจ แต่ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปช่วยเหลืออะไรเขาได้ไปให้เหตุผลชี้แจงแนะนําอะไรเขาได้แม้แต่จะใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ตามคือสรุปว่าคนกลุ่มหนึ่งนี่เราติดต่อเขาไม่ได้เมื่อติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเรืการจะพูดจายเขาเชื่อเนี่ยยิ่งยากขึ้นกว่านั้น คือคนก็ถําไม่ยอมรับไม่นับถือไม่ศรัทธาแล้วเขาไม่เชื่อหรอกแต่ว่าถ้าข่าวครามมโนสาเร่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับยอมรับนังถือหรือไม่ น, นี่เชื่อเลยแต่ถ้าความเชื่อในเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษที่ต้องชี้เอาเว้นแล้วก็ประพตเนี่ยหมายความว่าเขาต้องปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์แล้วเขาจะเชื่อยาก แต่ถ้าปฏิบัติไปตามอารมณ์คือไหลไปตามกระแสอารมณ์ไม่ต้องสังเกตว่าการปลุกระดมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พูดแรงๆด่าแรงๆ แ, แล้วก็สร้างความตื่นเต้นรเราจะเหนว่จริงๆเนี่ยลักษณะปลุกระดมในมุสาวาททั้งสี่ปะไม่ใช่มุส า, าคือประจีทุจริตครบสี่เลยทั้งเทป ท, ทั้งคําส่อเสียดทั้งคําหยาบทั้งเพ้อเจอ้อครอบชุดแต่มันเป็นอาหารจิต เพราะว่าจิตมันมีวิหิงสาธาตุอยู่อจิตมันสะใจมันรู้สึกมันได้อาหารมันจำมันแล้วจะระดมคนได้ง่ายแล้วคนเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งก็ถูกสนตะภายกันลากไปไปสู่กระแสไปบาดเจ็บไปล้มตายไปหิวโหยประสบความทุกข์ทรมารอะไรต่างๆจริงๆเราก็เห็นภาพต่างๆอย่างนึกว่าเมืองไทยเรายัางดีนะฮะอย่างเกาหลีใต้นี่แรงมากเวลาเขาประท้วงเนี่ยหรือว่าไต้หวันเนี่ย แรงแล้วก็มาทวงอะไรแต่ละคราวรู้สึกว่าใช้วิธีการที่แรงและก็ที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากสังขารที่เป็นอกุศสซึ่งเกิดขึ้นปรุงจิตของเขาคืออย่างพูดโดยประมาว่าคนาเหล่านี้ที่จริงเหมือนกับคนถูกผีสิงเป็นคนที่น่าสงสารแทนที่จะเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นคนที่น่าสงสารเขาไม่เป็นตัวของเขาเอง แต่ว่าประพฤติไปตามแรงผลักดันของกิเลสไอ้กิเลสเหลนี้มันจะทําที่ปลัดใสเสือกสขับใสท่านใช้เห็นภาพนะคำคำบาลีเหล่าเนี้ย่นานจะใช้เราก็เห็นเป็นภาพว่เออเราเสียการทรงตัวนะเราขาดความเป็นตัวของเรานะถ้าหากว่าปล่อยให้กิเลสมันผลักใสเสือกสายขับใสไปตามอำนาจของมันแต่คนส่วนใหญ่มันจะหยดจํานวน จะนนกับแรงของกิเลสแต่น่าลองสังเกตว่าถ้าพูดเรื่องดีๆแล้วเนี่ยแต่ใจจะยอมรับยากยังเคยพบหนังสือก็ここเรียกว่านิมิตพิโสวงก็ได้อ่านมาสองเล่มนะเป็นการเล่าของคนคนหนึ่งซึ่ง ไปในฝันนะไปในสถานที่ที่แห่งหนึ่งแต่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละเหมือนกับฝันแต่มันจำได้ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่ามีตัวเลื่อนลอยไปไกลแสนไกลแล้วก็รวดเร็วมา ก, กตื่นขึ้นมาถึงนี้จำได้หมดแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่เขานำมาเล่าเนี่ย แม้แต่ชื่อเสียงเลียงนามบ้านเลขชื่ออะไรต่อไรลักษณะทางครอบครัวเป็นยังไงเนี่ยมากทุลกแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยตั้งข้อระแวงอะไรต่อะไรมากมายแก่ก็นคือถ้าเราคิดเอาในเชิงเหตุผลเนี่ยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันไม่มีอะไรมันสะท้อนกุศลกับอกุศลที่คนเหล่านั้นกระทําเอาไว้ แล้วก็นำไปสู่พบชาติที่แตกต่างกันมีกาเนิดที่แตกต่างกันเขาก็เล่าถึงภูมิหลังให้ฟังว่าเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถ้าเราเชื่อเนี่เป็นเหตุเราละชั่วประพิดีถามเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงที่จริงไม่แปลกอะไรป้าจริงหรือไม่จริงไม่ได้แปลกอะไรแปลกว่ามันตัวการสำคัญว่า ทำให้เราละชั่วประพฤติดีนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสำหรับเราแต่พอเรื่องอย่างนั้นคนจะตั้ ง, งแง่ละตั้งข้อสงสัยตั้งข้อรังเกียจโกหกหลอกลวงต้องใช้วิจารณญาณอะต่ต่างๆเออไอเรื่องมันควรใช้ไม่ใช้ข่าวคราหนังสือพิมพ์ข่า ว, า ว, าวปุกระดรมทั้งหลายนี่ไม่ใช่เชื่อเลยแต่พอเรื่องที่เป็นเหตุละชั่วประพฤติดีเอา้าต้องมีวิจารณญาณละ มันชัดชัดอ่ะอบายมุกเป็นทางเสื่อมนี่ไม่ต้องมีวิจารณญาณอะไรหรอกเชื่อได้เลยก็เสื่อมมาทุรายแล้ะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าไอ้สังขารเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาข้าจริงพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายที่เป็นกุศลเนี่ยทั้งๆที่เขาก็มีธาตุแต่การได้รับอาหารของฝ่ายกุศล น, นี่จะน้อย เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ธรรมฉันทะคือความพอใจความยินดีในธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเทวตาสังยุตมีเทวดามากราบทูลถามมาจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญพระพุทธเจ้ารัสสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็ ร, รู้ได้ง่ายคือผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมก็พูดกันง่ายๆ เพราะถ้าเรามีความน้มเอียงไปในทางที่รังเกียจธรรมะจิงช่งธรรมะเบื่อหน่ายธรรมะระอาธรรมะโอกาสที่จะเริศเนี่ยมันยากเราจเพราความต้องการเหตุกับผลที่เราขัดแย้งกันเราต้องการลาบยศสรรเสริญสุข แต่พระราดยศสสุข เ, เป็นผลมาจากกุศลและตามมาจากกุศลกรรมกุศลกรรมมาจากกุศลธรรมกุศลธรรมมาจากเจตสิกที่เป็นฝ่ายกุกศลเจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศลมันก็เกิดขึ้นมาจากธรรมธาตุคือเชื่อของธรรมะที่มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งภายในใจเราเพรา ะ, ะเราเห็นว่าธรรมะนี่จะได้อาหาร น, อน้อย แต่ว่าข้อที่ที่ก็น่าสังเกตอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าบางทีคนฝักไฝ่สนใจในธรรมะเข้าวัดความธรรมจาศีลเนี่ยแต่ความคิดแรงความคิดเวลาเรื่องต่างๆเผชิญปัญหาต่างๆนี่แรงเอ้ทำไมถึงคิดแรงอย่างนี้อนนี้คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของมนุษย์เราที่ เจติกเลยมันก็มีทั้งสองฝ่ายไอ้ฝ่ายที่เป็นอกุศลนี่ได้อาหารทุกวันอาหารเยอะฝ่ายที่เป็นกุศลไม่ค่อยได้อาหาราาเพราะความเจริญเติบโตจึงแตกต่างกันทาให้พฤติกรรมภายในสังคมมีความรุนแรงมีประนัดยาด ก, กรรมต่างๆเปน็นอันมากเราก็ส่งสอนให้ดูสังขารว่า อย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแหน่งสังขารทีนี้เกิดขึ้นแหน่งสังขารเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองสายของปัจจัยการหรือสายปฏิจจสมบาทมันก็เดินมาเลยนะฮะมาถึงก็อะไรมีเราเรามีอายตนาภายในคือสลายอตนาเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปใจใัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาไอ้ตัวตรงนี้แหละ บางทีเพื่อเกิดธรรมะได้แต่ว่าท่านแสดงกระบวนการเกิดของทุกข์ก็พูดว่าการเกิดตัญหาแต่ว่าตอนที่เราประสบเวทนาเนี่ยเวทนามันเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดในกรณีที่เป็นสุขหรือแม้แต่ในกรณีที่เป็นทุกข์เนี่ยถ้าพระกุศลมันเกิดทุกข์มันก็กลายเป็นครูเป็นอารมณ์ว่ากรรมฐานได้เป็นทุกขกสัญญา เป็นอารม์มกับมาฐานได้ในขณะเดียวกันเป็นสุขมันก็จะเป็นเหตุให้เรากระตือรร้นที่จะสร้างเหตุเพื่อเกิดสุขมากยิ่ขึ้นได้ก็แสดงว่าตรง น, นี้มันก็เกิดมาจากเวทนาในในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่เกิดมาจากเวทนาแล้วก็จะมีความพอใจยินดีในในกุศล ที่เราเรียกว่าธรรมฉันทะมันก็ยึดบั้นในกุศลธรรมก็ในแง่ของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่ในแง่การหลุดพ้นของสังสารวัตรกุศลธรรมก็เป็นอย่างเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากสังสารวัตร ดับโดยเรายังไม่หลุดพ้นนะฮะเราก็ต้องอาศัยก็ไปเรื่อยๆก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆทีนี้การดับของสังขารเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นกุศลมันก็ไม่ต้องดับก็พยายามที่จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะลืมมาเข้าดับได้เขาเองนี่ยโดยสภาวะเขาดับเกิดดับเป็นกันทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งกลางๆเกิดดับเป็นกันว่าทำอย่างไงว่าฝ่ายกุศลเนี่ยเราจะ เขาเรียกว่าทรงธรรมที่ชาคำว่าทรงธรรมทรงวิยัยเราพยายามที่จะทำรงรักษาไว้ตอนท้ายของขาดถาที่อุทิศส่วนกุศลตอน ป, ปลายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นความปรารถนาอย่างแรงกลาก้าที่จะเห็น เกตังบอกว่าสาุจิตททาตุจิรังสตังธรรมโมขอให้ธรรมของสัตว์ปุรดำรงอยู่ตลอดกาลนานธรรมะธราจะปุคลาธรรมะทั้งหลายเนี่ยขอให้บุคคลทรงท่งไว้คือปฏิบัติไว้สังโฆโหตุสมะโคะวะมูคณะเนี่ย ก็จงพรอมเพียงกันหร่อจะเป็นคณะอะไรก็ตามอย่างภายในชาติบ้านเมืองเราเนี่ยคือเป็นเรื่องที่มาสังเกตมามานานคือโดยเฉพาะทักษิณสองเนี่นะที่จริงเขาก็เป็นเพิ่งเป็นมาไม่ไมกี่เดือนนะ่ะมันคกล้ๆจะมีคนเดือดร้อนรังเกียจชิงชังเวลาท่านไปทำงานเป็นหน้าเป็นตาแก่ของชาติบ้านเมืองเนี่ย ไอ้บ้านเมืองเราต้องป่วนต้องเล่นงานนายกต้องด่าว่ารัฐบาลต้องมีอมอบอะไรต่ตางๆเกิดขึ้นทึเป็นเรื่องแปลกมากว่าทําไมสังคมไทยจึงมีแต่วิหิงสามีแต่ริษยาการมีแต่การเบียดเบียนเช่นกันและกันคืเราอย่าลืมนะอย่างไงเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเคารับอานามาจากประชาชนแล้วก็เกิดขึ้นโดยพรผลราชองค์การ รัฐบาลเราต้องถือว่าเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์ทรงแต่งตัง้งทรงโปรดการแต่งตงั้งเพราะฉะนั้นพระราชอำนาจคงในหลวงเนี่ยมีบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีใครไปร่วงระมัดอำนาจทางบริหารทางตุลาการทางนิติบัญญัติมีครบบริบูรณ์สมบูรณ์ ในการแต่งตั้งสถาปนาธ น, นันดรสศักดิ์ในการพระราชทานเครื่องอิษยาภรณ์อะไรต่างๆนี่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรที่พระ ก, กรกาดแต่แตต้องเลยเอย้เราก็ไปสร้างเรื่องอะไรขึ้นมะาเป็นตำนองคล้ายๆกับประบาิสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่ในอันตรายและตัวเองก็เป็นพวกจงรักภักดีอยู่พวกเดียจะต้องต่อสู้เพื่อ คือใช้คำอย่างนี้คำน่าเกลียดมากนะเป็นลักษณะโอ้อวดแล้วก็หลอกลวงถ้งฝังลองอีกคราะดูมันโอนะ้อวดฮะว่าตัวเองเป็นพวกที่ต่อสู้เพื่อในหลกงก็แสดงว่าถ้าคนไม่สวมเสือ้ออย่างนั้นก็ไม่ยู่รักพากดีแต่ในขณนะเดียวกันหลอกลวงคล้ายๆกับในลหลวงมีอันตรายซึ่งไ ม, ไม่จริงอะไรเลยมันเกิดจากอะไร เกิดจากอากุศนที่มีเรามีเชื้ออยู่แล้วมีเชื้อที่จะเบียดเบียนใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าลำพังเราเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ก็เลยก็อาศัยคือสั่งสิ่งที่สำคัญอย่างนี้คือสังคมอย่าดึงคว้าตามอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาบันประมากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบุคคลอย่าล่วงละเมิดไม่ได้หรือการกระทาจะต้องทำในลักษณะทอดเทิดถูดไม่ใช่ว่าทำในลักษณะเอามาเป็นเกราะคุ้มครองตัวเองซึ่งซึ่งซึ่ ง, งเป็นอันตรายต่อการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข แต่ถ้าเราดูกระบวนการแหงจิตและใจว่าเนี่ยือสังขารที่เป็นอกุศลมันมีเชื่อมีหิงส า, าทอยู่ในใจมันก็สร้างแนวร่วมขึ้นมาแล้วคนก็เหโลสารพาแล้วก็คนอย่าลืมนะฮะพอะถูกปลุกกระดมเนี่ยจะเชื่อโดยไม่มีความคิดแต่ไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้คิดอะไรเลยนี่คือเป็นเรื่องที่น่านสลดแต่ถ้าเรามองอีกทีคือน่าสงสาร เพราะว่าสังขารที่เป็นอกุศลสิงจิตของเขามันก็เกิดเป็นทนัหาเกิดเป็นอุปาทานเกิดเป็นความรู้สึกรุนแรงแบ่งแยกและที่จริงเนีผลท้ายตัวเองก็เป็นเยอะอนี่คือเรื่องคือเรื่องที่น่าสลดแล้วก็แก้ไขอะไรยา ก, ก น, นะ เรือการดับของของเจตสิกเนี่ยคือของสังขารเนี่ยมันก็ดับได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทำอย่างไงว่าส่วนที่ควรดับเนี่ยเราดับแต่สิ่งที่ควรจะอาศัยเก่าเนี่ยต้องอาศัยไปก่อนเพราะ ง, งั้นพวกฝ่ายกุศลละธรรมเราจะเห็นว้ามันก็เหมือนกับจิตตาอุปัสนา มันก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนที่เป็นกุศลก็ประคับประคองไว้ส่วนที่เป็นอกุศลก็ลดละให้จางไปคลายไปบันเทาไปเข้าต่อไปก็คือวิญญาณวิญญาณก็เหมือนเหมือนกันนะวิญญาณเนี่ยอย่าที่บอกไว้วันก่อนว่าเออทรงสอนให้มองรูปเนี่ยให้มองรูปเหมือนกับ มองน้ำมองเวทนาเมื่อกลัตอบน้ํามองสัญญาเหมือนพยับแดดมองสังขารเหมืกอนกอกล้วยทีนี้สังขารแบบก อ, อกล้วยนี่จริงเป็นสังขารที่มีใจคลองกับสังขารที่ไม่มีใจคลองแต่เรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนเหมือนเหมือนกับกอกล้วยที่ประกอบไปวยกากกล้วยกับกล้วยถ้าเราเดึงออกทีละกากทีละกากมันหมดก อ, อกล้วยมังเหลือหยวกมันมันยังเหลือสาก ก่อนมันเป็นหยวกกล้วยนี่ที่จิงสอนอะไรเราเยอะนะเป็นเป็นพืชที่แปลกที่สุดในโลกเราจะเห็นว่าไอ้เครือของกล้วยเนี่ยเขาก็เรียกว่าเครือแล้วก็หัวมันดอกมันอะ่ะเขาเรียกหัวปรีตอใบเขาเรียกใบตอง พอต้นมันเขาเรียกว่าหยวกพอข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าสะพอลูกเนี่ยเขาเรียกว่ากล้วยบนกล้วยเป็นเฉพาะที่ลูกแปลกจริงๆเป็นภาษาเป็นภาษาเป็นเป็นต้นไม้ที่แปลกเพราะการรวมทั้งหมดจึงกลายเป็นต้นกล้วยแล้วก็จริงแล้วเนี่ย พอแยกส่วนเราก็เรียกกันกนละยางเพราะเราเองก็เหมือนกันนะฮะจริงๆเนี่ยมันรวมกันทั้งหมดจึงเรียกว่าขนถ้ารูปเวทนาตัญญานั้งขันวิญญาณเนี่ยรวมกันหมดถึงเรียกว่าขนแต่เมันเกิดแยกเจนแยกกายออกมาจากจิตแยกส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาตัณยานังขานวิญญาณเนี่ยแยกออกมาก็กลายเป็นจิตนะพวกนี้เป็นกลุ่มของจิต ตัวรูปมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปเป็นกองของดินน้ำลมไฟอากาศแล้วกลายเป็นซากศพทีนี้ไอต้ตัวจิตชาวบ้านเรียกทั่วไปก็เรียกว่าผีบ้างเรียกว่ารบิญญาบ้างแล้วแต่จะเรียกกันนะฮะคือความความเป็นเรามันมันหายไป เคยรู้จักวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยอันี้วิญญาณวิญญาณก็คือจิตที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางภระาสัมผัสแต่ความใจนู้ น, นมันก็กลับไปนู้นเลยกลับไปที่อายตนะภายในภายนอกในข้อที่หกอะมโนโที่เรียกว่าใจมันก็คือจิตที่ทํำหน้าที่รู้อารมณ์มโนก็เป็นชื่อชื่อหนึ่งที่เรียกจิต บิญญาณก็เป็นชื่อในหลา ย, ลายๆชื่อที่ใช้เรียกจิตเป็นการเรียกจิตที่เป็นธาตุรู้อยู่ภายในจิตนั่นอย่างไนึ่งไปเรียกจิตที่ตอนจุติคือดาบนั่อย่างหนึ่ง <iet> ค, คือคือคือไม่ใช่เรียกจิตตอนที่ไปไปสนธิคือไปถือไปไปเกิดในกําเนิดนั่นอะไรอย่างหนึ่งไอ้ตอนนี้ก็เรียกว่าบิญญาณแต่ตอนดาบเนี่ยเขไม่ได้ยบิณ ญ, ญาณเรียกจุติจิต แล้วก็เป็นเป็นที่ตั้งของของวิญญาณคือหลังตายนะพอตายมันจะไปไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งเขาเรียกวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณเพราะในคําคําว่าวิญญาณบางคําที่ชาวบ้านก็เรียกเนี่ยมันคนละคนละคนละความหมายกันวิญญาณในที่นี้หมายถึงจิตที่รู้อารมณ์ที่ผ่านมา ถามชาตสัมผัสเพราะในการทบกระทบกันระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณธรรมารมเนี่ยมันก็กลายเป็นวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณมก็มีหก็มีจักขบวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณความรู้ทางหูคณะวิญญาณความรู้ทางจมูกชีวห่าวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายยะวิญญาณความรู้ทางกายมโนวิญญาณความรู้ทางใจเราก็มีอยู่ทุกขณะนะมีอยู่ทุกขณะแม้แต่หลับมันกยังฝันเลย แล้วก็การเกิดของวิญญาณนะฮะเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปเป็นต้นทีนี้ความดับไปของวิญญาณบริจัยว่าวิญญาณมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะในกระบวนการตรงนี้กระบวนการทางจิตตรงนี้ในการรับรู้สัมผัสอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนสมุทัยวานกับในโรธทวานซึ่งอยู่ในตอนสุดท้ายนะตอนตอนตอนช่วงหลังๆตอนที่ว่าโดยมักระสัด จะทรงเรียงองค์ธรรมเยอะอยตนาภายในยตนาภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสัญเจตนาตันหาวิตกวิจาร์ก็เรียงไปเป็นแถวไปเลยก็เป็นกระบวนการทางจิตก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกุศลหรืออกุศล แต่ว่าก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันนะถ้าถ้าเป็นอกุศลเวลาวิตกเขาก็เรียกาอากุศลวิตกเวลาวิจารณเขาเรียกว่าอกุศลวิจาร์ถ้าเป็นกุศลก็เรียกาากุศลวิตกอกุศลวิตกไม่ใช่เป็นเป็นกุศลวิตกเป็นกุศลวิจารทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งก็จะเหมือนเดิมกระสังว่า ด้วยดังพันนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างก็หมายความว่ารู้เวทนาต่างๆต่างขานวิญญาณเนี่ยมีทั้งของเราและของคนอื่นในนั้นเกลียกหยาบๆอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าพวกเวทนาที่มันปรากฏ แต่มันจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาก็เหมือนกันจะปรากฏอย่างไหนอย่างหนึ่งวิญญาณก็เบมือกันเช่นว่าขณะสุขเวทนาปรากฏในทุกข์กับอาทุกขกรรมสุขมันไม่ปรากฏก็แสดงว่าวิญญาณเวทนาที่ไม่ปรากฏเนี่ยคือนอกจากเวทนาที่ปรากฏมันก็คืออยู่ในสภาพเดียวกันดังนั้นในเวลาส่งขยายออกไปขยายออกไปโดยโดยในยะหนึ่ง นย่ที่ทรงแสดงในในอนัตตลกนณนสูตรเป็นนย่ที่ทรงแสดงมากนย่าในแนวเนี้ยจะแสดงไม่มากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานทางส่วนสมถะวิปัสสนาใ น, นนนสในแนวอนัตตลกนัสูตรอในแนวอนัตตลกนัสูตรเนี่ยส่งสอนในรูปของ การเห็นข <unlucky. S 2> ันห้าตามกฎของปัจไยรลักษณ์โดยไปยบเอาที่อันัตตก่อนแล้วก็ภิกษุบญญวคีเนื่องจากตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันท่าเข้าใจว่ามันเป็นหน้าตามันก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกเพราะอะไรเพราะดวงตาท่นเห็นทำแล้วแต่ว่าคนเราทั่ไปจริงก็ ก็ทําใจได้ยากนะเห็นได้ยากก็ทรงแสดงโดยสรุปนะฮะรูปเวทนาตัญญาทั้งขันมิญฉาพุทธะขันห้าเราสั่งถามว่าดูก่อภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้เป็นเชนไงขาน่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระเจ้าขีก็กลับทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค้าไอ้ น, นี้ก็เหมือนกันนะฮะภายในภายนอกแต่ว่าตรงนี้ไม่ขยายภายในภายนอกให้ดูเฉพาะภายในก่อน ดูรูปเวทนาสัญญาตัณหาวิญญาณของเราก่อนยังไม่ดูขอคนอื่นแล้วก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าพิสุปัญญะคีก็กล่าวถึงว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าคข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดถือว่าอันของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราพิสุปัญญะคีก็กล่าวถึงว่าโนเหตังพันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าข้ะ จากนั้นก็จะสอนขันห้าข้างนอกล่ะทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกสอนหมดเลยเอามาสรุปทั้งปวงทั้งทางเพราะนั้นเวลาจะขึ้นเนี่ยสงฆ์ชายก็มาตัดสมาธิหักพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีไปนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้าก็สักไปว่ขันห้า พระรูปก็สักแต่ระรูปเป็นไม้ันก็ก็เหมือนกันที่ ท, ที่ที่ทรงสรุปในตอนสุดท้ายว่าอันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าทำมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิชชีไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ ถือมั่นอะไรอะไรในโลกบุค์กรภิกษุต่างหลายอย่างนี้และภิกษุชื่อว่าพิจารณาเหตุธรรมในธรรมคืออุปาทานะขันห่าความหมายอย่างเดียวกันนะภาษาต่างกันในอนัตตลกอนัสูตรทรงขยายทรงขยายให้ฟังอันนี้คิดขยายเอาเองคิดขยายเอาเองเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการปฏิบัติเป็นสูตรของการปฏิบัติ เป็นโมหันในการเทศก็แล้วแต่จะทรงช้อ ย, ย่างไงแต่สนุปว่าเนื้อหาเขาจะไม่ต่างเพราะในอนัตในอนัตะลกันสูตรตอนตรงเนี้ยพอผลทุกท้ายก็ขันห้าก็สัตว์แต่ว่าขันห้าไม่ใช่เราเห็นไหมการนี่ถือว่าเป็นเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างทิ่จิ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราครึ่งเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเราต้องลงมาตัณหามานะทิฏฐิแต่ในที่นี้ทรงใช้คำสองคำคือเฉพาะตัณหากับทิฏฐิเพราอจะลื ม, มลักษณะของตัณหากับทิฏฐิเนี่ยมันหลอมขึ้นมาเป็นมานะมานะมันก็มีตัวตนให้ไปยึดอะ แต่เราจะเห็นว่ามานาเนี่มันลึกเป็นสังโยชน์ประเภทที่ลึกก็พระอาหันตานั้นละได้ก็ทรงแสดงว่าขันห้าก็สักแต่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ความจริงก็เป็นอย่างนี้ วันเห็นด้วยปัญญาณชอบปัญญาณชอบไม่ใช่ธรรมดานะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเรียกแนววิสุทธ์ก็คือญาณทัศนวิสุทธ์เ่าสัมมปัญญาความเห็นที่ชอบจริงๆเนี่ยมันต้องดับตัณหามนาัสิทธิได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันดับกิเลสได้สามข้อข้างต้น สังโยชน์สมข้อข้นต้นเพราะว่าปัญญาเห็นชอบที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปันนะเนี่ยทิฏฐิสัมปันโนมีความเห็นที่สมบูมรณ์เวลาท่านนับจริงๆท่านนับที่พระโสดาบันไม่นับที่สามัญชนสามัญชนไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะอย่างไงอย่างไงเนี่ย คือคือมีข้อน่าสังเกตกันหนึ่งฟังรายการพระท่านอธิบายธรรมะท่านยกข้อความมาในในหมาไปในผ่านในสูตรบอกว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคืออย่าลืมถ้าใช้คําว่ารักสั่งว่านี่คําต่อคําเลยนะฮะเราต้องแปลคําต่อคําไม่ใช่เราว่าเองว่าเรื่อยไปเลยบอกพระเจ้ารับสั่งว่าไม่ใช่มีใจความว่าหรือว่าความว่า เราพูดเฉพาะความถ้าบอกว่ารับสั่งว่านี่ต้องคำต่อคำเลยเนี่ยตัสมาติหาพิกเวย์ยังกินจรูปังอติตานาคตาปัจจุบนานี่ไอนี่คือรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นนาดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล้วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้าไอรูปนั้นก็สักเรวรูป ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเอวมเมตังยะถาภูตังสมปัญญายะดัตตะบางข้อ น, นี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้อันนี้คือรับสั่งว่าแต่ถ้าความว่าเนี่ยเราก็บอกขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเลยสรุปไปเลยความว่าคือคือเนื้อหาในตรงกันแต่เราก็สรุป หรือสรุปความว่าเพราะว่าจะไปว่ายาวขนาดนั้นก็ไม่ไหวบอสรุปความว่าขั้นหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีนะอนาคตก็ดีข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วยางนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าถึงระดับปัญญ า, าหนชอบอย่างที่พระปัญญวคียท่านเห็นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่ ประสดาวันท่้เห็นหรอกก็เห็นด้วยกันแต่ว่าตัวญาณหรือปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างเนี่ยมันขจัดมืดได้ไม่เหมือนกันพูดถึงพูดถึงคำว่ามืดเนี่ยนะตัเราอย่างนึกชมเด็กเด็กที่เขาจับได้แล้วก็สารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าพระที่วัดพุมประสิทธิ์หลวงตางแก้วอายุ7จ็ดสิบแปดอะเจ็ดิบเจ็ดหรือ7จ็ดสิบแปด แกบอกว่ามันมันเหมือนกับแกอยู่ในที่มืดแกก็ทำอะไรในที่มืดอะโดยไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแต่เวนี้แกออกมาที่สว่างแล้วแกมองกลับไปแกเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะงั้นเวนียแกพร้อมที่จะรับโทษเท่าไหร่ก็ได้แต่แกก็สบายใจ เพราะว่าพอสัมผัสเจ้าหน้าที่เนี่ยแกไม่ตรงกับที่ไอ้ไอไอพวกตกระดมมันบอกเลยแกไม่เคยได้ยินคำว่าเป็นไงสบายดีไหมเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมจะให้ช่วยเหลืออะไรเป็นคำพูดจากตำรวจมันแสดงถึงความอบอุ่นมันเหมือนกับครอบครัวมันเหมือนกับพ่อแม่พูด มันแสดงถึงความรักความเอื้อไทยความห่วงใหญความเอื้อทอนความบ่วงใยญ่และคําเหล่านี้แกก็ไม่เคยได้ยินกับผู้ที่ออกคําสั่งแกที่มอมเมาแกแกก็เห็นโรคด้านเดียวเวนี้กเกินสองด้านแหละ ว, ว่าเวลามืด ม, มันมีปัญหายัางไงเวลาสว่างเนี่ยมันขจัดปัญหาไปได้ยังไงว้างแกผิดไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะรับผิด ถ้ามาว่าคําเหล่าเนี้ยแกพูดทั้งทั้งภาษายาวีทั้งภาษาภาษาไทยนะฮะก็ยังนึกว่าตรงเนี้น่าจะเอามาเผยแพร่ให้ตลอดเดี๋ยวถ่ายทอดแต่เผยแพร่ตลอดแต่เเฉพาะที่เป็นภาษาไทยอนะฮะเป็นภาษาไทยก็ก็เอาภาษาเยาวีด้วยก็ได้เพื่อจะให้คนที่เป็นที่ที่คือที่ยิงเขาก็รู้นะภาษาไทย ให้ได้ฟังแล้วก็เราเห็นชัดเลยว่าศาสใดที่อยู่แนววิชาเนี่ยมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ใช่พุทธคิดอิสลามพรามิโดซีอะไรหล้วอวิชามันก็เป็นมันเราเขาเรียกว่าความมืดเห็นไหมฮะเด็กอิสลามเนี่ยเขาเรียกความมืดแต่ของเราเนี่เรียกว่าวิชาก็คือมืดทีนี้ถ้าเรายังมืดอยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะปัญหาเรื่องของเราเรื่องเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นตัวเป็นตนอะไรต่ต่างๆ ก็ยังนึกสลดมีพระเพื่อนกันโทรศัพท์มาจากต่างจังหวัดมีคนไปติดต่อปรากฏว่าติดต่อหมดพระครูชั้งพิเศษเนี่ยถูกติดต่อหมดกอขอประวัติมาจะได้คัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นราชาคณะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่สงครองราชได้หกสิบพรรษาปีหน้ามั้ แล้วมันก็ถือเป็นเรื่องแปลกเลยก็โทรเตือนลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดไปบอกว่าบอกบอ ก, บอกพระใจรู้นะเดี๋ยวจะโดนต้มกันคือคนเนี่ยคนบาปมันเยอะก็ไปหลอกลวงกันกันเยอะอื้อนะตอนนี้อื้อเลยที่ไหนบ้างอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ผลรุ่ท้ายก็ เสียข้างโง่กันไปแล้วไม่กล้าบอกใครอะ่ะไอ้พวกที่หลอกเขาก็ไม่กล้าบอกใครเหมือนกันก็เลยตรงนี้หากินได้ตลอดนั่นเพราะอะไรเพราะเราตัณหาคืออยากเป็นมากไปคือการเป็นสมณะาศักดิ์ของพระนี่ต้องคิดอย่างเงยเหมือนต้องต้องเหมือนผ้ากรถิ่นถ้าเป็นรูปอื่นอย่าเป็นเลยไม่ต้องเป็นก็ได้เราเป็นพระก็เยอะแล้วฐานะที่พระสมบูรณ์ก็เยอะแล้วเราทําไม่เต็มอย่างนี้ สมรรษักต้องเหมือนภากฐถินที่ประดุดเลื่อนลอยมาบนนภากาศมาตกลงบนตักของเราเลยเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไปขวนขวายดิ้นรนแสดงความอยากอะไรออกมาเนี่ยมนนสาสลดนะฮะมนน่าสลดถดถูผิดวัตถุประสงค์ผิดเจตนารมณ์ของการบวช แต่ถ้าเราใช้ให้เป็นเนี่ยแน่นอนมันได้ประโยชน์คือเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นแล้วก็เป็นให้ชอบเพราะอะไรเพราะว่ากรอบของคำอมราธนาก็ถือว่าโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระทรงลงพระปรามาภิไธยมาขออาราธนาขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรอนุเคราะห์พระวิกษุสามเณีในอารามหรือพระอารามภาษาสังกัด ก, ก็ในสงฆ์ก็มณฑลทั่วไปโดยสมควรแกพรยย่พระราชยศซึ่งในพระราชทานนี่ไอต้ตรงนี้คือเรื่องใหญ่เป็นพันธกิจแล้วก็เป็นภารกิจเป็นได้ได้เป็นไดีเป็นได้เป็นเป็นได้ชอบแล้วต้องทํางานตามที่เราเป็นกรอบใหญ่โตนะฮะ ข้อความขนาดนี้นะกรอบใหญ่โตอย่าลืมมาขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาสองก้อนี้ก็ตายแล้วทาไม่หวาดไม่ไหวแล้วเป็นภาระสั่งสอนเป็นภารกิจของพระเป็นพันธกิจของพระเราเห็นว่าที่จริงมันติดมาตั้งแต่เกิดอ่ะเพปณะ ส, สัมมาสักมันก็ส่งเสริมสนับสนุนเป็นราชะศักกะระที่สถาบันประมากษัตริย์ ให้การทนุบำรุงพระพุทธศาสนาท่านั้นถ้าเป็นให้เป็นเราใช้ประโยชน์ได้เยอะแต่ถ้าเป็นไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นทางมาของบาปเยอะเหมือนกันตัณหาเกิดมานะเติร์ดเติดเกิดทิชชี่ขึ้นมาอู้มันจเจริญโดยเฉพาะตัณหาจเจริญูต้องเป็นให้เหมาะสมเราเป็นเจ้าขุนชั้นใหญ่แล้วตอนนี้ ต้องนั่งรถอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปก็อัตราก็ใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยโอ้ยไม่เหมาะสมเลยยุ่งกัปไปหมดลมันก็ย้อนกลับเข้าไปสู่เรียกคาบดีคราบดีครองครองชีวิตแบบการาบดีแต่ที่ครองชีวิตแบบอนาคาริกเพราะอะไรเพราะว่ามันยังอยู่ภายใต้การบงการของตันหามานาชิติ แต่การเข้าถึงความจริงของขันห้าเนี่ยมันต้องอย่างน้อยเนี่ยกํากับควบคุมตาธรมามะทิฏฐิไปได้ไม่ให้มีพลังในการผลักไสเสือสายขับสไล่ทรงเราไปสู่อำนาจของมันต้องฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรม ยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้ยทั่วกันสวัสดี